ในคําอธิบายเหล่านี้เนี่ยนะเราดูในอัตคัตาหน้าสองร้อแปดสิบหกดูโดยเฉพาะสติประธานเนี่ยนะสติประธานที่กล่าวไปเนี่ยนะที่ชื่อว่าอุปฐานเนี่ยนะเพราะโลดแล่นไปในอารมณ์อันเป็นสติประธานแล้วตั้งมั่นสตินั่นแลตั้งมั่นจึงชื่อว่าสติประฐานสติในกายเวทนาจิตธรรมย่อมมีประเภทสี่อย่างที่เป็นไปด้วยอาการยึดถือ คือความไม่งามความเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงและความไม่เป็นอัตตาถ้าสติเนี่ยก็เข้าไปยึดถืออย่างนี้คือสติเนี่เข้าไปตั้งว่าไม่เที่ยงไม่งามเป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่อัตตาสำเร็จกิจคือการละความสำคัญว่างามว่าสุขว่าเที่ยงว่าเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นสติน totally in ี่เข้าไปดำรงโดยอสุภะเป็นต้นละความสาคัญว่าโสภะเป็นต้น ในส่วนเบื้องต้นเนี่ยนะสติเหล่าน Graph ี้เป็นไปในจิตต่างๆสตินะไม่ใช่จิตสติเหล่านี้ย่อมได้ในจิตต่างๆในส่วนเบื้องต้นส่วนสติในโลกุตระนี่ได้ขณะเดียวเท่านั้นได้ชื่อสี่อย่างในขณะมรรคในส่วนเบื้องต้นนะสติที่พิจารณาสติที่พิจารณาโดยความไม่เที่ยงก็อย่างหนึง่งสติที่พิจารณาโดยความเป็นทุกข์ก็อย่างหนึ่งสติที่ความพิจารณาโดยความเป็นอนัตตก็ อย่างหนึ่งก็คนละอย่างคนละอย่างไปถ้าหากว่าในขณะโลกุตระเนี่ยนะมีนิพพานเป็นอารมณ์ได้ชื่อสี่อย่างขณะที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ได้ชื่อว่าสติประธานสี่นะเพราะชื่อว่าเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์นั้นจะต้องพิจารณากายเวทนาจิตธรรมมาอย่างบริบูรณ์ถ้าพิจารณากายเวทนาจิตธรรมมาไม่บริบูรณ์เพียงพอก็อยากส่วนประธานประธานเนี่ยเพราะเป็นเหตุเริ่มตั้งในสัมมประธานการเริ่มตั้ง โดยชอบนี้ชื่อว่าสมัปทานหรือเป็นเหตุเริ่มตั้งชอบอันหนึ่งการเริ่มตั้งชอบนั้นชื่อว่าประทานเพราะเว้นจากการผิดปกติของกิเลสเห็นไหก็กิเลสเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ทําให้ผิดปกติใช่ไหมปกติเนี่ยกายมัน ไ, ไม่น่าทําชั่วนะมันก็ไปทําชั่วจนได้เป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เราก็ผิดปกติแล้วมาสมัปทานเนี่ย เพราะนำมาซึ่งความเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดด้วยให้สำเร็จประโยชน์และความสุขหรือเริ่มเริ่มความเริ่มตั้งฉะนั้นสม ร, ระทมานก็คือวิริยะวิริยะนั้นมีสี่ประเภทโดยให้สำเร็จสำเร็จอะไรหนึ่งละอกุโสแลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วอกุสลธรรมที่ยังไม่เกิดก็ไม่ยอมให้เกิดขึ้นกุสลธรรมที่ยังไม่เกิดก็ให้เกิดขึ้น กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ดำรงให้ตั้งอยู่ต่อไปละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วอย่างนี้เรียกว่าละนะปรานประทานประานะอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นก็เรียกว่าสังวรประทานกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดก็เรียกว่าภาวนาประทานกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ดำรงต่อไปนี่เรียกว่าอนุรักษนาประทานเพียนเพื่ออนุรักษ์เนี่ยนะอนุรักษ์รักษา ประทานเหล่านั้นย่อมสำเร็จในจิตต่างๆในส่วนเบื้องต้นแรกๆนี่ก็ใช้ัใช้ความเพียรโดยประการต่างๆแต่ในขณะอริยมรรคเนี่ยขณะที่โสดาปฏิมรรคเป็นต้นเกิดขึ้นได้ชื่อว่าสัมมาประทานสี่ในขณะที่อริยมรรคเกิดขึ้นส่วนอิทิบาตเนี่ยนะอิทิบาทอิทิปา ท, ทา น, นังนี้มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ เชื่อว่าอิทธิเพราะบรรดาฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอย่างหนึ่งหนึ่งย่อมสําเร็จอธิบายว่าย่อมสําเร็จเสมอคือย่อมปรากฏชัดเชื่อว่าอิทธิเพราะศักด์ทั้งหลายย่อมสําเร็จด้วยอิทธิบาทนั้นอิทธินั้นอ่ะเพราะว่าศักด์ทั้งหลายเป็นผู้สําเร็จ เ, เจริญดียิ่งถ้าไม่เจริญอิทธินะแล้วใครจะประสบความสําเร็จได้บ้างถ้าไม่เจริญอิทธิบาทนะไม่ประสบความสําเร็จอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโดยอับเนี่ยนะ โดยอานที่หนึ่งตาทะทาให้ธรรมะเครื่องให้ถึงคือให้ถึงความสาเร็จนั่นะเรียกเรียกว่าอิธิบาทอิทธิบาทก็คือธรรมะที่เป็นบาตใหประสบความสาเร็จสาเร็จในที่นี้คือสาเร็จมรรคผลนะบาต ท, ที่จะทำให้สาเร็จมรรคผลเรียกว่าอิธิบาทหรือว่าส่วนแห่งความสาเร็จถ้าไม่มีฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาอยู่เนี่ยนะคิดว่าจะมีส่วนว่าจะสาเร็จได้ไหม กันส่วนที่จะทําให้สําเร็จเนี่ยมีอยู่สี่ประการอิทธิบาทเนี่แปลว่าส่วนแห่งความสําเร็จต้องมีฉันทะใช่ไหมฉันทะคือศรัทธานะอันเดียวกันก็ต้องมีศรัทธามีฉันท ะ, นทะสองมีวิริยะความภาคเพียรสามมีใจที่มุ่งจดจอ่อแล้วก็มีปัญญาที่เข้าไปไข้ค ร, ครวนทั้งตัวอิทธิบาททั้งสี่เรียกว่าส่วนที่ให้ถึงความสําเร็จหรืออีกในหนึ่งเขาบอกว่าธรรมะ เครื่องให้ถึงความสําเร็จนะนะหมายก็ว่าเราจะเดินทางไปถึงที่หมายก็อาศัยรถเป็นเครื่องที่ทําให้ถึงจุดหมายผู้ที่ปฏิบัติปรารถนาบรรลุมรรคผลก็ต้องอริยมรรคเป็นเครื่องที่ทําให้ถึงจุดหมายบทว่าปาโทคือเป็นที่ตั้งอธิบายว่าเป็นอุบายให้บรรลุเพราะศาสตทั้งหลายย่อมถึงคือย่อมบรรลุความสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยอิทธิบาทนั้น นะถ้าจะสําเร็จระดับคุณธรรมชั้นสูงขึ้นไปเนี่ยต้องมีอิทธิบาทถ้าไม่มีอิทธิบาทคุณธรรมชั้นสูงสําเร็จไม่ได้อิทธิบาทนั้นเบื้องแรกนะชันท่าวิริยะจิตตะวิมังสาก็เป็นใหญ่ในส่วนแต่ละอย่างก็คนละอย่างคนละอย่างนะขณะฉันท่าก็อย่างหนึ่งขณะวิริยะจิตตาวิมังสาก็คนละอย่างไปแต่ในขณะอริยมรรคเนี่ยนะทุกอย่างชื่อว่าอิทธิบาทหมดเลย จิตในขณะโลโลกุตรจิตจิตตัวนั้นเน้นไปที่สมาธิเห็นไ้มสมาธิในขณะโลกุตระก็เรียกว่าจิตอิทธิบาทฉันทาในนั้นก็เป็นฉันทิธิบาทวิริยะในจิตดวงนั้นก็เป็นวิริยทิบาทปัญญาก็เป็นวิมังสิตทิบาทเพราะในขณะมรรคเนี่ยเกิดขึ้นอิทธิบาททั้งสีก็ประชมพร้อมกันอันสภาพที่ให้ปรากฏสภาพที่เป็นที่ตั้งนี่แหละเรียกว่าอิทธิบาท อันถ้าใครอยากประสบความสําเร็จปรารถนาบรรลุมรรคผลก็ต้องมีอิทธิบาททั้งสี่ประการเป็นไปส่วนอริยสัจเนี่ยนะอริยสัจนี้ถือว่าเป็นความแน่นอน น, นะอริยสัจสี่ใช่ไหมอัคโหตฐานเนี่ยเที่ยงแท้ได้แก่ตามสความเป็นจริงทั้งแปดข้อที่กล่าวไปเนี่ยนะเป็นทั้งโลกิยะและโลกุตระทั้งทั้งแปดเลยนะตั้งแต่อินทรพล ะ, ระโพธิชงอ ง, งมรรคสติประธานสมรรคประธานอิทธิบาท จนถึงสัจจะนี่เป็นทั้งโลกิยะและโลกุตระส่วนมรรคผลก็เป็นโลกุตระอย่างเดียวคําว่าประโยคะนี้ของอริยมรรคทั้งหลายอริยมรรคนี้เขามีประโยคนใช่ไหมปฏิปัสสัพโธสภาพที่ระ ง, งับและแก่ระ ง, งับด้วยอริยผลอริยมรรคนี้เป็นประโยคะ์อริยผลเป็นการระงับประโยคะจริงอยู่มรรคประโยคะเป็นอันระงับในขณะแห่งผลเพราะหมดกิจแล้วหรือภาวะแห่งมรรค ประโยค่ระ ง, งับด้วยผลเกิดขึ้นหมายความว่าเสร็จกิจแล้ววะนะสำเร็จภารกิจในการกําหนดรู้ทุกละสมุทัยทํานิโรธให้แจ้งเจริญอรยิอรยมรรคอริยผลก็เกิดขึ้นเพราะสงบระ ง, งับเพราะเสร็จกิจแล้วคือผมฉนใช้คำว่าประโยค่มา น, นานฮะแล้วก็เข้าใจมา น, นานเนพืพักได้สอบถามท่านอาจารย์แล้วเขียนหนังสือเรื่องนั้นไปนะเพราะว่ามันหมายถึงว่าต้องทํา เนี่ยนะคำว่าท ำ, ทำทำทำเนี่ยท่านให้ทำคําว่าทำเนี่ยหมายถึงว่าหมายถึงประโยค่เนี่ยหมายถึงการให้ทําอย่างหนึ่งที่ชัดเจนมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เขียนหนังสือภัยผมบอกว่าออยอดประโยค่ทั้งหลายก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้า น, นั่นน่ะผู้มียอดประโยค่คือได้ทรงบําเพ็ญบารมีถึงเสียทงคายกับแสนกลับมาเพื่อทําการวิจัยชีวิตนะเพื่อจะให้รู้ว่าต้นสายปลายเหตุของชีวิตยังไงแก้ปัญหาชีวิต อย่างไรเนี่ยไอการกระทำอันนั้นเนี่ยเป็นเป็นประโยค่ที่เป็นยอดของประโยค่ทั้งหลายใช่ไหมเดีย๋ยวเรามาเรามาเจอหลักฐานในนี้ว่าเพราะมันนั้นไม่ได้อ้างไว้ว่ามาจากคมภี์ไหนใช่ไหมพอามาเจอตรงนี้เข้าว่าประโยค่ทั้งหลายได้แก่ประโยค่ของอริยมรรคสี่นะฮะอันนี้ก็ชัดเจนเลยมนะว่าในขั้นมรรคนะยังไม่ใช่ขั้นผลนะยังเรียกประโยค่อยู่ใช่ไหมแต่พอไปถึง เปถึงขั้นผลแล้วนี่นะฮะท่านบอกว่าจริงอยู่มรคประโยคเป็นอันละนับในขณะแห่งผลเนี่ยอันนี้ก็ละเอียดลงไปอีกหน่อยนะก็เลยตั้งใจว่าจะนําหลักฐานนี้ไปอ้างไว้ในนั้นอีกหน่อยเผื่อว่ามีคนก็จะคัดค้านว่าเอ้ยทําไม่ได้เนี่ยเ น, น, น, น, นี่มันทําได้อย่างนี้แล้วมันทําได้ระดับสูงด้วยก็ถ้าไม่ท yeah. <Yeah. S 2> ําำสิแย่ก็เพราะไม่ยอมเจริมมรคนะไม่ยอมทมาํามรคให้เกิดขึ้นละเดือดร้อนมาถึงทุกวันนี่เลย ถ้าหากว่าทำมั่กจนเกิดขึ้นหวังว่าคงไม่เดือดร้อนอีกต่อไปถามว่าถ้าเราไม่เจริญมั่กเลยนะถามว่าชีวิตจะต้องปล่อยปล่านะเลยอีกต่อไปหรือแล้วถ้าเราจะเจริญเจริญว่าอย่างไงถ้าไม่ทําขึ้นนะนะคําว่าทำเนี่ยภาษาบาลีคื อ, ร, อกกระกะเนี่ยนะนะแปลว่าทําาอย่งพระพุทธเจ้าบําเพ็ญทุกกะกิริยาก็คือการกระทําในสิ่งที่ทําได้ยากเนี่ยนะนะพฤติกรรมหรือการกระทําที่ทําได้ยาก การอบรมอริยมรรคเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทําได้ยากอยู่แล้วอันผู้ใดที่ประสงค์จะเจริญอริยมรรคเนี่ยนะผู้นั้นเนี่ยจะต้องสละได้ทุกอย่างที่พระองค์สอนว่ายังไงเนะีถ้าเริ่มตั้งความเพียรให้ตั้งว่ายังไงถ้าผู้จะตั้งความเพียร น, นะจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแห้งไปถ้าไม่บรรลุผลที่บุรุษน่นนะด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษถ้าไม่สําเร็จไม่ยอมลุกเป็นต้น อันนั้นนั่นคือเขาเขาตั้งความเพียรขนาดนั้นเขาตั้งใจทําขนาดนั้นเขาอธิษฐานตั้งมั่นในการประกอบความเพียรขนาดนั้นไม่ได้เป็นเรื่องของการปล่อยประละเลยไม่ใช่อะไรจะเกิดก็ก็ให้เกิดอันนัถ้าปล่อยให้อะไรจะเกิดก็ก็เกิดเนี่ยวัฏตะเราอยู่มาด้วยต่างอย่างนี้และวัฏตะที่เราทนอยู่ได้ทุกวันเดือดร้อนอยู่ทุกวันก็เพราะว่าแล้วแต่มันจะเกิดเราก็ปล่อยมาจนถึงทุกวันนี้ทีนี้ถ้าเรายังขืนปล่อยอีกนะ เกิดเน่ยชาติเนี่ยนําไปสู่การเกิดชราก็นําไปสู่ความแก่มรณะอีกจนได้เนี่ยนะเกิดมาแล้วก็ปล่อยอีกก็เกิดอีกเนี่ยนะเกิดแล้วเกิดเล่าเกิดแล้วเกิดเล่าเวเียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะไม่ได้ทําให้บริสุทธิ์อะไรเลยมีแต่เศร้าหมองยิ่งขึ้นมีแต่ลําบากขึ้นมีแต่หนักขึ้นหนักขึ้นดันั้นการปฏิบัติเพื่อออกนั้นอะ่ะเป็นกิจที่ต้องทําด้วยความภาคเพียรพยายามจริงๆแต่ทีนี้คนที่ภาคเพียรเนี่ยนะ ก็อย่างที่กล่าวว่าสําหรับผู้ที่รู้อยู่เห็นอยู่นะจึงจะ บ, บรรลุได้ถ้าไม่รู้ไม่เห็นบนรรลุไม่ได้หรอกท่านในคําว่า เ, เพียรก็ไม่ใช่เป็นนั่งซะจนขาเละหมดเลยหลังยอกหมดเลยโดยที่นั่งแล้วก็ไม่รู้ไม่เห็นอะไรอีกก็ไม่ใช่ท่า น, นกล่าวถึงการตรัสปฏิบัติเพื่อพ้นทุกนั้นจะต้องแบบผู้รู้และผู้เห็นรู้เห็นอริยสัจนั่นแหละทีนี้ก็วันก่อนก็สนทนากันนะ บอกว่าสัพเทธรรมะอานาตาผู้ใดแสดงพระพุทธเจ้าแสดงแสดงในตรัสไว้ถูกกล้องแล้วใช่ไหมไม่ผิดเลยใช่ไหมไม่ผิดแล้วบอกว่าอัตตะสัมมาปณิทิใครแสดงอา้าวตั้งตนไว้โดยชอบพระพุทธเจ้าตั้งตนไว้โดยชอบนะแล้วก็อัตตะทีตะอัตตะสาระบอกเธอจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งเห็นไหมอัตตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเห็นไหม แล้วก็บอกนิพพานมัตตโนนิพพานของตนพระพุทธเจ้าตรัสขัดกันเองไหมเดี๋ยวก็บอกว่าตนเดี๋ยวบอกตนเป็นที่พึ่งของตนอัตโนโจทยาตานังตนโจตนตนเตือนตนเป็นต้นเอะจะเอาไงกันแน่แล้วพ้องขัดตรัสขัดกันเองไหมทาไมเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะทั้นคําว่ากลัวตัวตนเนี่ยนะไอ้กลัวตัวตนเนี่ยเขาเรียกว่ากลัว รับที่แบบตัวตนแบบเดียร์ถีมันน่ากลัวคือสักกายะพิธิเห็นรูปโดยความเป็นตนอันเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นตนอันนั้นน่ากลัวอันนว่าตนมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ในตนตนตัวนั้นเป็นบาลีที่เรียกว่าอัตตาไม่ใช่ตัวตนแบบภาษาไทยอะไรที่ไหนอันะไม่ใช่ ฉันคำว่ากลัวการกระทำด้วยอำนาจตัวตนนั้นผู้ที่ทำด้วยการเจริญสติเป็นต้นเนี่ยนะผู้ที่ทำด้วยการเจริญสติเรียกว่าสโตการีการะการีแปลว่าผู้ทำสติผู้ทำปัญญาเรียกว่าสัมปชานาการีพระองค์สอนให้เป็นผู้ทำสติสอนให้เป็นผู้ทำปัญญา nam, ถ้าไม่ทำสติไม่ทำปัญญาล่ะสโตการีพระผู้มีพระภาคก็เป็นผู้ ตรัสเคยได้ยินไหมเธอทั้งหลายนั่นเธอทําสติด้วยอัตตานั่นเธอทําปัญญาด้วยอัตตาใครอ่านพระตไตรปิฎกเจอบ้างไม่มีนี่เธอเนี่ยนะเป็นผู้ทํามักแต่ไม่มีแต่มีอยู่บ้างถ้าเข้าใจผิดว่าใครหนอเป็นผู้ผัสสะนะใครเนาะเป็นผู้ผัสสะแต่บอกว่าไม่มีใครผัสสะหรอกเพราะผัสสะเป็นสิ่งที่เกิดจากปัจจัย มันต้องกล่าวว่าภาษานี้เกิดจากปัจจัยอะไรหนอเพราะว่าภาษาทั้งหลายเป็นสภาวธรรมอันนั้นเป็นการประกาศทุกขศัตดิ์ว่าไม่ใช่สัตว์เป็นสภาวธรรมแต่สภาวะธรรมเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งการบัญญัติว่าเราว่าของเราเป็นต้นทีนี้เรามีกรรมเป็นของของตนเนี่ยนะก็ยังของของเราอีกอยู่ดีทีนี้จะเอาอยัางไงกันแน่อั้นถ้าศึกษามไม่เข้าใจให้ดีๆเพียงพอเนี่ยนะว่าทุกขศัตดิ์ จะเรียกว่าไม่ใช่เราก็ได้ไม่ใช่ของเราก็ได้เพราะว่านํามาซึ่งความทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดมรรคสัตว์จะเรียกว่าของเราก็ได้นิพพานจะเรียกว่าของเราก็ได้เพราะว่านํามาซึ่งความสุขแก่เราเนี่ยนะนำมาซึ่งความสุขแก่เราหรือจนไม่มีเราอยู่เลยสาธุขอให้เป็นอย่างที่ว่าถือนะเห็นท่อนไม้ข้างนอกกับภายในเนี่ยนะกับท่อนแขนภายในไม่ต่างกันนะขออนุโมทนาข้าพเจ้าขอกราบไหว้ผู้ที่ ทำใจได้ขนาดนั้นนะสําหรับพระอริยะทั้งหลายขอให้มันเนี่ยนะเห็นเนี่ยพื้นกับผิวหนังมันเท่ากันเนีย่ยนะถ้าได้ขนาดนั้นจริงๆจะเชื่อแต่ถ้าไม่ทําอะไรเลยแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยก็เลยแต่กลัวแต่อัตอาก็เลยเฮ้มันไม่ได้กลัวจริงๆอสิเนี่ยนะเพราะความคิดอันนั้นรู้ไหมว่าอาจจะเป็นอัตตาชนิดหนึ่งก็ได้เนีย่ยนะอาจจะเป็นทิฏฐิชนิดหนึ่งก็ได้ทิฏฐิเนี่ยมีส่วนแห่งความเป็นอัตตา